บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของวิจิกิจฉานิ่หวนซึ่งเป็นอาการต่อเนื่องมาจากอวิชาหรือโมขะปรากฏภายในจิตของบุคคลมีลักษณะกรุ่มรุมจิต เกิดความเครีอดแกร่งสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจแสดงออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นตัวขัดขวางศรัท ธ, ธาไม่ให้ตั้งมัน่นทําให้ความเลื่อมใสที่มีอยู่ในพระรัตนตรัยเป็นต้นมีลักษณะเลื่อนลอยพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจของบุคคลจะไม่มีความมั่นคง โดยจะทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างก็สลับโผนกระกันไปบนเส้นทางของการศึกษาและปฏิบัติธรรมะนั้นจุติท่านเรียกว่าเข้าถึงกระแสของปฏิพันธ์จะต้องอาศัยการสามารถขจัดวิจิกิจฉาออกไปจากใจได้มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือความมั่นคงในคุณของพรัตนตรยัยเวลาท่านแสดงคุณสมบัติของพระโสดาบันซึ่งเพลนพระยะบุคคลชั้นต้นที่รบแรลว่าผู้เข้าถึงกระแสของปฏิภาสนั้นถ้าพูดในแนวของการละกิเลสท่านจะบอกว่าวรละสังโยตสามประการได้ขาดออกไปจากใจ กลสักกายทิฏฐิความเหตุเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาตลอดทั้งมีเรามีเขาที่เดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งวิกิจาความเคลือบแคงสงสัยเป็นแน่ใจในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นศีลและพตะประมาศคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่มยุติด้วยเหตุผลและความดี หรือแม้บางอย่างหาข้อยุดติได้ในชั้นหนึ่งแตก่ก็ให้เกิดการยึดติดเมื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นลักษณะของสังโยชน์ทั้งสามประการนี้ท่านสาธุรชนทั้งหลายจะสังเกตได้เวลาเกิดขึ้นภายในใจของเราจะมีอาการของโมหะ ค, ค, มมคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องดรงนั้น เพราะไม่รู้จึงคิดว่ามีเรามีของเรามีตัวตนของเรามีเขามีพวกเขามีเรามีพวกเราเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดความเครียดแกร่งสงสัยในจุดใดก็ตามที่เราเกิดความรู้ความเป็นตามความเป็นจริงได้ความเครียดแกร่งสงสัยก็จะสงบไปแต่เนื่องจากเรารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ทั้งหมด เราจึงมีความเครือบแคลงสงสัยในบางเรื่องและอาจจะไม่เครือบแคลงสงสัยในบางเรื่องศิต ร, ระพตะประาบการถือมั่นด้วยศีลดว่าจะเข้าปฏิบัติในลักษณะต่างๆนี้นจริงก็เป็นเรื่องของโมหะคือความหลงหรือความรู้ไม่จริงเพตอะการปฏิบัติธรรมะระดับต้นที่เข้าสู่กระแสของปณิพานก็คือการขาจัดกิเลสประเภทโมหะอย่างหยาบอย่างกลางให้ออกไปจากใจ แต่ต้ออาก็พูดถึงแนวของการบําเพ็ญความดีหรือว่าแนวบวกท่านก็จะเน้นไปในเรื่องของสภาพจิตที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีการโยกย้อนมาจากข้างนอกมีการใส่ร้ายพรระรัตนาใจมาจากข้างนอกหรือตลอดถึงเห็นบุคคลในสถาบันพระรัตนาใยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นในที่ต่างต่เนี่ยต่อเนื่องยาวนานก็ตาม แต่ศรัทธาที่มีอยู่ในพระรัตนตรัยของท่านจะไม่หวั่นไหวเพราะเป็นอาการของศรัทธาและปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงภายในใจของท่านอาการของศรัทธาที่ปรากฏนั้นก็คือเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์ในไตรจิขาคือในศีลสมาธิปัญญาแต่ที่กล่าวว่าเมื่อ เห็นการกระทําของบุคคลบางคนในสถาบันของพระรัตนตรยัยเช่งการกระทําของพระสงฆ์บางรูปไม่เหมาะไม่ควรทํำไมศรัทธาของท่านจึงไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของท่านนั้นท่านรู้สึกแยกรู้จักแยกแยะได้อย่างชัดเจนเข้าใจใ น, นเงื่อนไ ข, ขของพระสงฆ์ในแง่ของกรรมโดยอาศัยุเบกขะ เข้าใจพระสงฆ์ในแง่ของสมมุติและเป็นพระอาติสงฆ์เข้าใจถึงกระบวนการของกรรผีบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำยังไงก็รับผลไปแล้วเข้าใจถึงพระสงฆ์ในอุดมคติว่าปีกุณลักษณะอย่างไรสามารถที่จะอดทนให้อภัยรอคอย หรือทใจเป็นกลางเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้ซึ่งเห็นได้ว่าสภาพจิตอย่างนี้พูด ง, ง่ายแต่ในการรักษาสภาพจิตตัวเองไว้จะทําได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าตัวโมฆะที่สัมดงออกมาในรูปของความเครือดแปรงสงสยัยยังไม่ได้ถูกกระจัดออกไปเมื่อสิ่งนี้ยังไม่ขจัดไม่ถูกกระจัดออกไปศรัทธาเองก็ตั้งมั่นไม่ได้ ประวังศรัทธากับวิจิกิจานั้นเขาจะเกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ในวัตถุใดในบุคคลใดในเรื่องอะไรก็ตามที่เรามีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหววิ จ, กจิกิจาจะไม่มีในจุดนั้นแต่ในจุดใดที่เราจะมีความเครียดแขรงสงสัยอยู่ศรัทธาจะไม่ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปดังนั้นเวลาท่านจาแนกแสดง จึงจำแนกออกมาเป็นรูปธรรมตามที่เคยกล่าวไว้แล้วในวันก่อนแต่วัตถุบุคคลหรืออารมณ์ที่เราเกิดความเครือดแครงสงสัยนั้นท่านจำแนกเอาไว้ถึงแประการวันก่อนได้กล่าวถึงเรื่องความเครียดแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจากังกติก็ให้เกิดภาวะชะงักงนันอาการราดชา้า มีความสับสนกวกว่งไกวไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งสีท่านยกอุปมาว่าเหมือนดอกกระทุ่มที่วางไว้บนที่ลื่นๆหรือคล้ายๆเอาสิ่งลื่นๆมาวางไว้บนที่ลื่นๆอาการที่จะตั้งอยู่อย่างมั่นคงนั้นเป็นไปไม่ได้ในความที่เคลื่อนแคลงสงสัยนั้นอาจจะถึงจุดหนึ่งเราไม่เคลื่อนแคลงสงสยัย แต่ก็บรลึกลงไปอาจจะมีความเครีอแครงสงสยัยเช่นระดับพุทธวัติเราไม่สงสยัยระดับข้อปฏิบัติในชั้นศีลของพระพุทธเจ้าเราไม่สงสยัยชั้นสมาธิไม่สงสยัยชั้นปัญญาไม่สงสยัยแต่ชั้นหลังจากนี้ผ่านไปแล้วก็เกิดสงสยัยซึ่งสภาพจิตต่านี้มีความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมพุทธเราตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว ในปัจจุบันก็มีการถกเถียงกันว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนจนถึงบางยุคบางสมัยพูดถึงเมืองแก้วที่เรียกว่าอมตะมหาคนคะรหรือผ่านว่าเป็นที่ประดิษฐเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันการจะมีการสอนเรื่องอาณาจั น, นิพพานเรื่องแดนนิพพานเรื่องโลกนิพพานเรื่องเมืองนิพพานแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในที่นั้น พอคนได้ยินได้ความข่าวมันก็อาศัยพื้นฐานที่เราเป็นภาวะตันหาอยู่ด้วยแล้วก็มีวิจิกิจชาอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันนิพานแล้วก็ไปอยู่ในแดนนิพานตลอดกลับตลอดกันชัวน่วนิรันดรามันแสดงให้เห็นนะว่าปัญญาที่เป็นเครื่องพิจารณาสอดส่องมองอย่างเป็นระบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจดี๋ยวก็มองตัดเอาเฉพาะตรงนั้นเป็นตำหนองใกล้ๆกับ สายไฟเขาปอยในจุดหนึ่งก็เห็นแสงสว่างในจุดนั้นเองแล้วก็ไปยืนยัน อ, อกจากจุดนั้นเพราะถาหากว่าเข้าใจมองอย่างต่อเนื่องมองธรรมะเห็นเป็นระบบในเรื่องต่างๆแล้วหากจะมีดนนิพานมีอริยตนานิพพานมีเมืองนิพพานหรือมีอะไรก็ตามที่เป็นสภาวะแล้วก็มีตัวตนดำรงอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งก็ได้ แสดงว่าเปราร็ราชคลอดเคลื่อนจากหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเป็นสภาวะอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าไม่จาเป็นจะต้องสาจรู้ก็ไปอยู่ได้แล้วเพราะตอนที่อยู่ในสํานักของอุทะกดาบดหรืออาลอาดาบดต้องก็สามารถที่จะอยู่อย่างนั้นได้แล้วเป็นพรหมโลกที่มีความประณีตอย่างตอนที่ศึกษาจบในสํานักของอุตะกดาบดนั้นจะมีลักษณะเป็นนามธรรม อยู่ตลอดเวลายาวนานมากหรือถ้ามองไม่ตลอดสายก็อาจจะเห็นว่าเที่ยงแพ้แน่นอนก็ได้แต่ผู้จะาท่านสรมองในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็สืบสาวไปสู่อน า, าคตการที่นานไกลจะไกลเท่าไรก็ได้มมองเห็นว่าตัวเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ความทุกข์ที่ต้องการหนีมันก็ต้องมีอยู่ ซึ่งการมองสอดส่องในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานของสติปัญญาเป็นตัวกาหนดแยกแยะออกไปแล้วก็มองเห็นเป็นระบบทังกล่าวไว้จริงธรรมเทศนาที่ทรงแสดงไว้นั้นจะแสดงไว้ในแต่ละตอนแต่ละนตยะตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นๆเรื่องที่ก็แสดงในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่คนนี้พูดกันขนาดนี้ก็เข้าใจแล้วก็พูดเพียงเท่านี้ แต่เรื่องนี้แหละจะไปเจอคนอีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้เขาไม่เข้าใจพระองค์ก็เปลี่ยนเรื่องที่จะพูดวิธีที่จะพูดโดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันดังนั้นการจะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้มันก็ต้องขจัดความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมออกไปได้ด้วยในข้อที่สองท่านยังแสดงว่าธรรมเมกังคติคือมีความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรม ความเครือกแกรงสงสัยในพระธรรมนั้นจะสงสัยได้หลายระดับด้วยกันและการเหล่านี้จะปรากฏแก่จิตของบุคคลทั้งหลายจะปรากฏในคําถามจะปรากฏในการแสดงออกของบุคคลทั้งหลายและแสดงออกมาในระดับต่างๆกันบางคนสงสัยถึงที่มาของพระธรรมจนถึงก็มีการเผยแร่ ก, กันในหมูนนักวิจารบางพวกซึ่งถือว่าตัวเองมีความรอบรู้มากเหลือเกิน เพราะจริงๆพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกธรรมะคาสั่งสอนที่เรียกว่าประใจปิฎกนั้นเป็นเรื่องของคณะบุคคลคณะหนึ่งที่ช่วยกันคิดกันเขียนขึ้ น, นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาคือ ถ, ถ้าเราคิดไปอย่างนั้นแล้วศรัทธาจะไม่ตั้งมันเพราะใครก็ไม่รู้มีคุณสมบัติอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ถูกผิดยังไงก็ไม่รู้ในสุดเราจะเดินไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าดังกล่าวเรื่องบางเรื่องมีความละเอียดลึกซึ้งจะต้องเป็นปัจจิตตังคือจะเห็นได้เฉพาะตัวเองและจะต้องอาศัยการระพฤติปฏิบัติที่ผ่านขัดนตอนโดยลำดๆบางอย่างจึงอยู่ระดับของปริญญาการศึกษาและการพิพจิตรณาแต่จะเข้าใจลึกซึ้งนั่จริงๆจะต้องอาศัยการระพฤติปฏิบัติตอนนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติก็ยังไม่ถึงนั้น ในตอนนี้แหละจําเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาไว้แต่พอเราไม่รู้ที่ไปที่มาของคําสอนเป็นคําสอนของใครที่ไหนยังไงก็ไม่รู้ศรัทธามันก็ไม่ตั้งมัน่นการที่จะลงมือศึกษาคนา้นคว้าพิจารณาประพฤติปฏิบัติก็จะไม่บังเกิดเข็้บางครั้งก็สงสัยในสภาวะของธรรมะ มีการแสดงออกมาปรากฏแพ่หลายนะในที่ต่างๆก็มีผู้เกิดมานานแล้วปรากฏเอกสารต่างๆเปน็นดันมากแล้วก็ย้อนไปได้หลายร้อยปีเลยทำไปจะแสดงความเครียดแครงสงสัยในเรื่องของกรรมทำดีได้ดีจริงหรือหรือว่าทาชั่วดีดีบางคนจนถึงออกจะยืนยันอย่างเข้มแข็งว่าทำทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีตรงปลายเป็นต้นการที่บุคคลกล้าพูดออกมาในลักษณะนั้น แสดงเหตุตั้งการขาดความเชื่อมั่นในตัวผลของพระธรรมและในตัวเหตุของพระธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการประเสธทั้งเหตุทั้งผลเป็การทําดีได้ดีการทําดีนั้นเป็นเหตุการได้ดีนั้นเป็นผลการทําชั่วนั้นเป็นเหตุการการได้ชั่วนั้นเป็นผล เมื่อมีการปฏิเสธว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีตถงไปก็แสดงว่าเป็นการปฏิเสธทั้งเหตุเป็นการปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลผู้เจ้านั้นทรงแสดงธรรมมีเหตุเมื่อเราเกิดมีความเคร่ยดแครงสงสัยในตัวเขตก็หมายความว่าเราไม่มั่นใจในองค์พระสัทธรรมที่ผู้เจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้บางครั้งสงสัยในเรื่องของกาละแห่งธรรม คือจะยอมรับว่าธรรมานั้นมีความถูกต้องจริงพรุทธเจ้าได้สดแสดงไว้จริงแต่เวลา น, นี้ล่าสมัยไปแล้วเป็นคําสอนยุคเกษตรกรรมอย่างที่นักวิชาการบางท่านมันพูดว่าคําสอนในรู้ศาสนานั้นเป็นคําสอนในยุคเกษตรกรรมเวลานี้มันเทคโนโลยีจะเป็นนี้กันแล้วคําสอนดังเกิ์ก็ล่าสมัยนีแสดงเห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยที่มีความละเอียดมากิ่งขึ้น แต่จะจบลงด้วยการไม่พร้อมที่จะน้อมนาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันบางครั้งจะมีการสงสัยในลักษณะที่เป็นความต่อเนื่องกันแห่งกุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีในลักษณะที่เป็นการข้ามภกข้ามชาติหรลักษณะที่เป็นการอิงอาศัยกันทำให้บุคคลมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วไปปฏิเสธหรือไปยืนยันในจุดนั้นเพียงอย่างเดียว ต่างๆ ท, ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในที่อื่นแล้วก็ในลักษณะอย่างอื่นเช่นมีการพูดถึงเรื่องคําสอนบางระดับที่เราเรียกว่าอันตรายกาธิติสิทธประกาศจะมีการพูดกันว่าข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงประยุกต์หรือว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อในเหตุสิประการดำหลักของกาลามาสูตรเป็นต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความเครียดแคลงสงสัยใน ระบบของคำสอนเป็นการมองที่ไม่ตลอดสายแล้วก็ตัดสินเอาเฉพาะส่วนที่ตนสัมผัสได้แล้วก็ไปยืนยันว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นไม่จริงบางครั้งแสดงออกในรูปของความสงสัยในเชิงผลที่ต่อเนื่องซึ่งก็นีท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า ไม่เคยมีการพูดกันในหมู่พวกนักบริการหรือว่าพระเทระที่ท่านถือว่าท่านเก่งแล้วจะมีการอธิบายพระพุทธเจ้าว่าตอนมารที่มาประจวรพระพุทธเจ้าที่มีการเขียนเป็นรูปเทโพตมานปรากฏมานลักษณะต่างๆท่านก็อธิบายว่าที่จริงไม่ใช่มารอย่างนั้นหรอกเป็นมารคือกิเลสพูดยังก็ยืนดูอยู่ด้วยต่านท่านที่ท่านก็แสดงไว้มารถึงห้าอย่าง แระเจ้าก็ไพูดออกมานอย่างเดียวโดยไม่มองถึงสภาวะของจิตพระพุทธเจ้าเวลานั้นในขณะที่นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโพนั้นสภาพจิตเป็นอย่างไงแล้วตอนนี้พระขาดการมองเป็นระบบเพราะจริงๆก่อนจะถึงวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ผ่านอรูปฌานมาแล้วเรียกว่าได้สมาบัติแปดมาแล้วไม่ต้องสมาบัตแบิแปดสมาบัติสี่ข้อแรกคือรูปฌานสี่ข้อแรก นิวรณ์ธรรมท่าห้าประการที่เรากําลังต่อสู้กันอยู่นี้ไม่มีแล้วมัาสงบไปหมดแล้วเพรากิเลสสมานจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดมาในรูปของนิวรณ์ก่อนแต่เมื่อเกิดมาในรูปของนิวรณ์ไม่ได้เพราเกิดขึ้นมาอย่างอื่นไม่ได้ให้ลองสังเกตว่าเราก็มีความโกรธมีความริษยามีความอาฆาตพยาบาทมีอะไรอยู่ยะภายในใจเรา แต่ถ้าไม่เกิดมากรุ่มรุมใจเราก่อนแล้วจะออกมาทางกายทางวาจาไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการอย่างนั้นคือจะเรียกว่าอสังโยชเดเรอนุสัยอยู่เป็นตะกรอนใจอยู่ข้างล่างแต่เราจะรู้สึกโกรธเนี่ยมันต้องไอความโกรธต้องขึ้นกรุ่มรุมใจซะก่อนใจใจเราจึงจะโกรธ ถ, ถ้าความโกรธไม่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจใจก็ไม่โกรธทีนี้เมื่อพระไทยของพระพุทธเจ้าพระกองของพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นท่านได้บรรลุฌานแล้ว ท่านมีปีติอยู่โดยธรรมะปีติเป็นข้าศึกโดยตรงต่อพยาบาทความพยาบาทก็เกิดขึ้นไม่ได้กิเลสประเภทราคะรงมีสมาธิอยู่มีเอกะกายตาเกิจิตสงบอยู่ความสงบนั้นเป็นข้าศึกต่อกาไมฉันเพราะงั้นเมื่อความสงบมีอยู่การไมฉันมัก็เกิดไม่ได้รงยังมีวิจารถึงไปร้องฌานอยู่ วิจารนั้นเป็นค่าศึกต่อวิจิกิจิชาเพราะฉนั้นเมื่อพระองค์มีวิจารณวิจิกิจิชาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีจุดบรรจบ ก, กันทรงสแสดงว่าห่างกันเหมือนกับฟ้ากับน้ําเหมือนกับฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งดูใกล้นะฮะแต่ไม่มีจุดบรรจบ ก, กันลักษณะของกุศลอกุศลก็เป็นเช่นหนึ่ง เร่อต่างปาัญหาถามว่าทำไมจึงเกิดความเพลียสงสัยก็เพราะอาศัยการมองไม่ตลอดขาดหลักการที่เรียกวโยนิโสมณสิการการปฏิยินยันว่ามารคือกิเลสมาระจญพระพุทธเจ้านั้นถือเป็นการดูหมินประสัพันยุติญาณขาดความเคารพในอาสวัคยานของพระพุทธเจ้าพราะมารที่มาในรูปของบุคคลอย่างนั้นไม่ใช่มาเฉพาะจุดนั้น หลังจากศสัตรุแล้วทั้งหกสัปดาห์จะยังมีที่ดามานมาผจญพระพุทธเจ้ายังมีพยามานมาระจญพระพุทธเจ้าจะให้หมายความว่าอย่างไรตมานั้นคือกิเลสก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่บรรลุอาศาุขยานถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าบรรลุอาศุขยานคือพระญาณที่ทําให้กิเลสอาศะหมดไปจากพระภัยแล้วมานั้นก็คือเทวุตมานไม่ใช่กิเลสมาน นี้คือลักษณะที่เกิดความกัดแยงขึ้นภายในใจเพราะสายความเครือบแคลงสงสัยความไม่มั่นใจหรือการมองไม่ตลอดสายของบุคคลผู้นั้นหรือแม้แต่ในลักษณะที่เกิดความเครือบแคลงสงสัยพระเจ้าอยู่ที่ไหนมีสภาวะเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นสถานที่อยู่หรือไม่ ก็มีการถกเถียงมีการอธิบายซึ่งที่จริงก็อธิบายได้ฟังได้แต่ปัญหาว่าถูกตรงตามหลักหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งรเรื่องทั้งหลายได้จริงอธิบายได้ทั้นัท่านี้เราก็จะต้องมองที่เป็นหลักถ้ามองในสูตรที่เป็นหลักไม่ได้ความเคลื่อนแปรงสงสัยก็ต้องเกิดขึ้นได้มองย้อนกลับไปที่ตัวสภาวะอย่างนั้นไปประทับอยู่ประดิษฐานตลอดการยาวนานเหมือนพระพุทธรูปในพระโบสถ์ ก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นรู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมนั้นประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยน้ำลมไฟอากาศมีความรู้สึกพระองค์ไม้ก็รู้สึกถ้ารู้สึกก็เป็นนมามธรรมถ้เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นอะไรก็เป็นสังขารมีรูปมีรูปกับนามเราเองก็มีรูปกับนามพระพุทธเจ้าตอนดำรงพระชนอยู่ก็มีรูปกับนามแล้วเกิดไปอยู่ในแดนหนึ่งก็กลายเป็นรูปกับนามเหมือนกันเมื่อรูปนามก็เป็นสังขาร สังขารแล้วเป็นอะไรก็เป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเป็นยังไงไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเป็นยังไงเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นยังไงก็ไม่เที่ยงกันไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนก็เข้าสู่วงจอดเป็นวัตจักรคนที่จะเข้าถึงนิพพานนั้นจะต้องเห็นประจักษ์ในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสามารถถ่ายถอนความยึดติดในขันทั้งห้าลงไปได้ แล้วเกิดปัญญาเนี่ยชอบตามความเป็นจริงว่าไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราจึงจะเข้าถึงนิพพานได้เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสภาวะที่เป็นรูปธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในรูปลักษณ์่งใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เป็นไปไม่ได้แต่แม้แต่เป็นพระพุทธํรรมรัตเองพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นนั้นมากแล้วเกิด บางทีก็ส่งอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับไฟที่ดับแล้วเราพูดถึงการดับนั้นมีอยู่แต่ดับแล้วไปไห น, นมันพูดไม่ได้แต่การดับนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเพราะเรื่องภาษานิพานที่จริงไม่ใช่ภาษาที่จะอธิบายเป็นภาษาที่สัมผัส ด, ด้วยใจคล้ายๆกับเรี่ยวหวานมันเค็มไม่ใช่ภาษาที่จะอธิบายเป็นภาษาสัมผัสซึ่งบุคคลจะต้องสัมผัสเองแล้วจะเข้าใจได้ด้วยตนเอง ตามหลักของพระธรมคุณบทว่าปั จ, จตางเวดิตะโปวินโยชิคือข้อที่ว่าวินญูชนจะรู้จะรู้เฉพาะต น, น, นเด้งในทีนี้ถ้าหากว่าจะมีความเครียดแครงสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่ใจก็ไม่ยอมก้าวเดินไปในตัวของพระธรรมอันเป็นผลที่นำไปสู่สภาวะอย่างนั้นแต่บางครั้งบางคราวนั้นก็อาจจะสงสัยในปริมาณคือกลุ่มของธรรมะ จะธรรมะาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เราก็มามองเห็นว่าโลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมีความก้าวหน้าไปมากประชากรก็เพิ่มขึ้นมากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆก็มีอยู่มากเลยธรรมะน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วจะยกตัวอย่างว่าค า, วารวะศรธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สีข้อคือสัจจะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อ ก, กัน ธรรมะมีการฝึกปลือตัวเองข่มใจตัวเองห้ามใจตัวเองได้กันตีมีความอดกลั้นความอดทนความอดต่อจากพระมีความเสียสละมีความให้ปันความออเอื่อเพื่อเปล่าเราอาจจะรู้สึกมันน้อยไปเลยคิดจะไปเติมธรรมะของพระพุทธเจ้าครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็ยอมรับว่าตอนสอนสมัยใหม่ในสมัยที่ต้องนํารงประชนอยู่นั้นก็ถูกต้องแล้ว แต่ตอนนี้เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงไปคําสอนก็ควรจะเพิ่ซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าเราจับไปที่สัพพัญญุตญาณคือพระเจ้านั้นทรงรู้ทุกอย่างเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างแต่การแสดงนั้นจะแสดงธรรมะที่พร้อมจะเรียกร้องธรรมะเราอื่นให้เกิดขึ้นขอให้มีจุดเริ่มต้นแล้วเขากระจายตัวเขาเอง ถึงในเ ช, งเชิงผลแล้วทำนองเดียวกับเราอาบน้ําำฉะนั้นว่าให้เริ่มต้นในการอาบน้ําไม่ได้เลยจะพูดถึงเรื่องสิ่งสกโปกที่แปดเปื้อนอยู่ที่ร่างกายจะพูดถึงเรื่องความสะอาดซึ่งจะเกิดขึ้นจะพูดถึงความสบายกายสบายใจที่จะติดตามมาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นผลไม่จะเป็นเหตุที่จะต้องลงมือประกอบกระทํา แต่เป็นผลที่จะเกิดสืบเนื่องมาจากเหตุแล้วเขาก็เป็นเหตุก็สร้างผลต่อไปทำนองเดียวกันกับการปลูกต้นไม้ในจุดประเด็นสำคัญ ก, ก็อยู่ที่การพืชแล้เวลาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนในบางทีก็ทรงใช้กับมารากง้าวรือขอเริ่มต้นที่รากงาวของเขาก่อนถ้าปลูกที่รากง้าวขึ้นมาได้อย่างอื่นก็เกิดขึ้นเอง แล้วในสู่ก็สรุปธรรมในลนักษณะทวีตราชน้าเอาไว้สองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็นอกุศลเป็นบาปก็มีความโลภความโกรธความหลงกลุ่มที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นความฉลาดเป็นความปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายก็คือเริ่มต้นจากความไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลงในจุดเริ่มต้นของความไม่โลภไม่กรไม่หลงนั่นเองก็จะกระจายตัวเองเออกไปได้โดยลำดับ ยกตัวอย่างเช่นความไม่โกรธซึ่งออกมาเป็นรูปของความเมตตาท่านจะพูดเฉพาะตรงนี้ทีเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงศีลอะไรเพราะโดยสภาวะจิตแล้วเมื่อจิตของบุคคลดำรงมั่นคงอยู่ด้วยเมตตาการฆ่าก็ดีการลักขโมยก็ดีการล่วงละเมิดในทางประเวณีก็ดีการโกรหกก็ดีการดื่มสุราไม่ไแต่ติดสิ่งเสพติดต่างๆเป็นต้นก็ดีมันไม่เกิดขึ้นมาเอง นั่นก็คือนยัยยกของธรรมะแต่ถ้าหากว่าขาดหลักของโยนินโสมนสิการในระดับใดระดับหนึ่งมันก็จะเกิดความเครือนแกร่งสงสัยอยู่เรื่อยไปสภาพจิตที่จะมันมีมีภาวะชะงักงันคล้ายๆกับเราเดินในทางที่เราไม่เคยเดินเป็นการเดินอย่างไม่มั่นใจก็เดินเดินหยุดหุดเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอยู่เรื่อยไปเวลาที่ควรจะไปได้เร็วก็เกิดไปได้ช้าเพราะสูญเสียความมั่นใจ บนสดางนการศึกษาธรมปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเครือแค ร, รงสงสัยจึงกลายเป็นอุปสรรคเป็นขวากน้ำเป็นทางที่เหมือนกระสือโครกอาศัยอยู่หรือเป็นทางสองแพรง่งหรือเป็นทางธุรกันดาลตลอดถึงสภาพจิตเหมือนกับ น, น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนตรไม่สามารถที่จะเพิ่มให้เห็นเป็นความสว่างสดใสขึ้นมาได้ ความเรียบแกร่งสงสัยจึงเป็นปะหาต่ประธรรมที่จำเป็นจะต้องเพียรพยายามลดละบันเทาลงไปโดยลำดับแล้วขนดีงามก็จะพึงพึงบังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสึกต่อไป